ควรจะปฏิบัติอย่างไรใน เท่าที่ข้าพเจ้าทราบไม่เห็นมี ในที่บางแห่งไม่มีที่ซึ่งเหมาะที่จะ ถ้าจะทําอะไรโดยที่ไม่มี แต่แต่อย่างไรก็ดีคนข้าพเจ้าก็แนะนําไม่ให้ตั้งแต่อย่าง ก็พึงทราบไว้ด้วยว่าข้อความที่ เพราะเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าๆ แม่แต่ไก่ก็เข้าไปอยู่ไม่ได้ในเมื่อสารที่จะสร้างให้เป็นที่อยู่ของพระภูมิมีขนาดเล็กเช่นนี้พระภูมิท่านจะเข้าไปอยู่ได้อย่างไรก็เข้าไปอยู่ไม่ เพียงแต่ให้ท่านบอกว่าเครื่องหมายแสดงถึงการเชื้อๆ และต่อมาคนในกลุ่มนี้ๆเช่น <ๆ. S 2> นครวัดมีรูปร่างลักษณะอย่างไรส่วนคน ก็มักจะเข้าใจว่าๆเขารู้ว่า แต่จะมีเทพเจ้าๆบางทีก็ถึงกับเกิดปัญหา ตามประเพณีของคนไทยสมัยโบราณเรามักจะ จึงได้รับความคิดอันนี้เข้าไว้ได้โดยง่ายเพราะมันเกื้อบจะเหมือนกับความเชื่อของคนไทยที่มีอยู่ก่อนรับพวกพราหมณ์ซึ่งเป็นคนที่มีหัวในการสร้างพิธีกรรมต่างๆคิดอันและยึดถือปฏิบัติกันมาตราบเท่าทุกวันนี้ ท่านได้บอกว่าในเมื่อการตั้งศาลพระนั่น มนุษย์เห็นอย่างไรเห็นด้วยเหตุนี้ไรยังไม่เข้าใจเรื่องตัวเองก็ไม่เห็นบ้านที่เขาสร้างให้เล็กนิดเดียวอย่างนั้นด้วยเหตุนี้ ท่านบอกว่าพวกที่มีความคิดแบบนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยว่าพวกที่นั้น พอเขาสร้างบ้านให้หรือให้ของสังเวยแม้ บางพวกก็ให้เกิดความอยากจะมีบ้านเป็นของ ท่านรู้สึกรำคาญข้าพเจ้ามาหลายครั้ง ทั้งๆส่วนพวกที่ต้องการสิ่งใดได้ทันทีนั้นก็มีเหมือนกันเขามีบุญพอที่ เมื่อ 6 กันยายนพุทธศักราช 2506 ป้ารันในสมัยเมื่อยังมีชีวิตอยู่ในสมัยเมื่อยังมี และมาในระยะหลังก่อนที่จะ 2 อาทิตย์ แล้วก็จะกลับมาอยู่กับข้าพเจ้าอีกๆ สิ่งหนึ่งที่ป้ารันเล่าให้ฟังก็คือ รันได้อยู่กับข้าพเจ้าใน จากคําบอกเล่าของท่านครูบาสีวิชัยและจาก ก็ไม่ตำหนิท่านที่ตั้งจะสั่งไว้แต่ละครั้งถ้าจะต้องจัดอาหารกันเป็นการใหญ่ภูมิ การกระทําเช่นนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้ เกิดอนุโมทนาจิตมีความเต็มใจในอันที่ได้ เพราะในโลกของโอปปาติกะนั้นเรื่องบุญกุศลเป็น อันมันคล้ายกับเราได้ปลูกพืชลงไว้แล้วและพืชนั้นก็พร้อมที่จะงอกงามอยู่แล้วนั้นมันคล้ายกับเราได้ปลูก เปรียบเหมือนน้ําฝนซึ่งจะทําให้พืช คำโรเกี่ยวกับการสังเวยและการ มีการทดสอบและตั้งกฎเกณฑ์ได้ดีกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรอบรู้ในเรื่องนี้ ขึ้นการช่วยเหลือของมนุษย์เป็นแต่เพียงส่วนประกอบเทานั้นเพราะเหตุที่หลักความจริงมีอยู่เช่นนี้วิบากของกรรมทั้งสิ้น <unlucky> ถ้ารู้สึกเช่นนี้ท่านบอก ก็ควรจะเป็นที่ที่เราสามารถ และบูชาท่านด้วยเครื่องสักการะ ปัญหาภายในวัดจะตั้งสารพระภูมิได้หรือไม่ตอบทุกวิหารหรือหอสวดมนหอสวดมนต์ ทุกทุกสิ่งรอปลายพิความไร้ทินอันป้านความ